บทที่ 12 เราควรเรียนธรรมเรื่องใดเป็นหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระ มากถึงถึง 84,000 พระธรรมคันเกินวิสัยที่ผู้ใดจะ รวมลงได้ในรอยเท้าช้างวงเล็บเปิดในยุคของพระ ราชพบ 1 เ� worshipbird สรงสอนแต่รคนosocial preconce Honomation เพียงหนึ่งยังใจในความเข้าใจของผมแล้วตัวร่วมนั้นคือ การเจริญสติที่ถูกต้องแม้พระพุทธองค์เองก็ทรงเคย แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงถามว่าถ้าให้ปฏิบัติธรรมข้อ ที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจและนำไปสู่ความบริสุทธิ์ เนื่องจากไม่กวัดแกว่งตามไม่วรปัญญาก็เป็นอัตโนมัติเพราะ เพราะเท่ากับได้ปฏิบัติทั่วถึงธรรมที่ท่านทรงแสดง 1 การ 2 การและ 3 การ ว่าพวกเรายังรู้สึกว่าการปฏิบัติตามโอวาทาปาติโมกข์มีถึง 3 ข้อ 1 การไม่ทําบาป ความคิดชั่วก่อนที่คนเราจะทําบาปทางกายเช่นก่อนจะไปจี้ปล้นใครก็ต้องคิด เราก็ต้องมีสติเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของตนก็ต้องมีสติเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของ 2 การทํากุศล ผมจิตของคนเหล่านั้นกล่าวว่าจิตของคนเรานั้นแทบไม่ การทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะกุศลนั้นได้แก่การที่จิตไม่ประกอบด้วยราคะ เพราะจิตของสัตว์ทั้งปวงนั้นมีโมหะยืนพื้นแม้ในขณะที่ไม่มีราคะและโทสะก็ยังคือความหลงของจิตธรรมตามความธรรมกับผมนั้นจะ เพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตจะๆไม่หยุดหย่อนจิตมันหูจมูกลิ้นกายอันเป็นการไหลเข้าไป มันจะตั้งมั่นอยู่ก็รู้ตั้งมั่นอยู่ก็รู้มันจะๆก็รู้มีแต่รู้รู้ๆรู้ๆนั่นแหละจิตจึงจะกระจัดรู้ตื่นและ โดยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลย 3 การทํา และการทํากุศลถึงพร้อมแล้วแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงการทําจิตให้ผ่องแผ้วแต่ถ้าจะกล่าวไว้หน่อยนึงก็น่า จิตก็จะผ่องแพ้วโดยตัวของมันเอง คิดว่าการ 3 ข้อคือคําสั่งสอนเพื่อให้นําไปปฏิบัติและ ทำจิตให้พองแผ้วจิตชนิดนี้เป็นจิตที่สามารถแล้วก็จะพบว่าคือการ มีเพราะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงรู้สภาพและหลุดพ้นไปเองที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเมื่อรู้ตามความ ในทางพระ